ข้างเรื่องของเทวดาอินสมยมยักษ์กวกทั้งหลายเหล่านั้นตายเกิดมาแล้วสี่พศสี่ชาตอันนี้เรียกว่าปกเกนิวาสารุตสติการพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมพยานแล้วก็พิจารณาการจุดจีรเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามอํานาจของกรรมไอสัตว์ตัวนดำดำหน้าปนปนนี่มันเป็น เก็มันทำกรรมอรันใดตัวที่มันมาเกิดเป็นเอีแรงพอคำแดงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอะไรมันเป็นพระที่กินเจหรือกินเจเจที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเอาความดีอันนี้ไปเที่ยวเราว่าคนอื่น ว่าพระอื่นกินเนื้อกินหนังเป็นแรงเป็นกาเป็นเสือเป็นสูนัขเพราะบาป ก, กรรมอันนั้นจึงทำให้มาเกิดเป็นอีแรงตัวนี้อย่างนี้พระองค์ก็สามารถรู้ได้เ <c oughs> จรณนาเรื่องการปุสสิทธิเกิดของสัตว์ทั้งหลายจบลงในประสมมายในมัสยิมจยา เ่อพิจารณาเรื่องจุดตีละเกิดของสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นไปตามอำนาจของกรรมจบลงในมัชชิปญ า, ามแล้วแล้วก็มาพิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทัางหลายทํากรรมคือตัวอภิชชาอวิชช า, า, าความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทํากรรมทํากรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็ต้องเกิดอีกเกิดมาอีกก็อาศัยอวิชชาตัวรู้ไม่จริงนั่นเอง มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีบ้างสัวบ้างตามที่ทนเข้าใจทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินสมยมยักษ์แล้วจะกรรมจะบรรดานให้เป็นไปกามังสเตวิพัจติพาสิติวากรรมย่อมจำแรกจัดให้เป็นไปส่างๆนั้นเกิดขึ้นเจ้าประบับนั้น เมื่อพระองค์ได้พิจารณาอาสวัสดิยารยาจบลงแล้วเจดยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นเพราะสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี่มันเป็นจริงจริงตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติการเรียนไหวกายเกิดคือค อ, อนิจจทุกขังอนาาัตตากฎธรรมชาติที่มาปรุงแต่งให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของความมีพบน้อยพบใหญ่ มีจุดสิละเกิดเป็นอำนาจของธรรมชาติคือกรรมเป็นผู้ตกแต่งแล้วก็กฎของธรรมชาติคือกิเลสจอมบัรดาลให้คนทำดีทำชั่วแล้วก็ได้รับผลของกรรมพระองค์รู้ตัวทวนหมดในเมื่อรู้แล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าเป็นเช่นนั้นอรหัตสมรคยานก็บังเกิดขึ้นในปัจจิมยาม สามารถกระจัดกิเลสน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในจิตในใจให้ขาดสะบัน้นไปถึงเึ้นความเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงพระองค์มีๆๆพระสติปัญญาพิจารณาโลกความจริงเป็นพระปัญญาคุณความที่ทําตนได้เป็นผู้หมดกิเลสได้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็บด้วยพระคุณสองประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณ ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองในปัจจิมยามจึงได้พระนามว่าราหังสัมมาสัมพุโทโธพะวาพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ดับเทิงกิเลสเทิงทุกข์สิ้นเทิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่เป็นประวัติแห่งการตรัสรู้ของท่านชายสิทธัตถะตั้งจะเริ่มต้นต้นได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุโพเจ้า เมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมโอเคในสัตยพรมหากรุณาธิคุณจึงได้บังเกิดขึ้นเมื่อพระมหากรุณาธิคุณบังเกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่สามปะกาลคือพระปัญญาคนพระองค์รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจสี่ทุกสมุ ท, ทยมัยนิโรธมรร แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสน้อยหนึ่งเท่าสุรีไม่ได้มีเหลือติดใจประทายของพระองค์พระองค์จึงถึงเคื่องความเป็นผู้บริสุทธิ์สอาโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อแสดงไปโปรดสาธโดเยยตยนัยสาแสดงทำให้ที่ตุเด็นแต่ว่าคือฟังเป็นต้นจนกระทั่งอวสานแห่งการปรกาศศาสนาตลอดเวลาสี่สิบห้าปี อันนี้เป็นค้ามาหากรุณาธีุ่นท่านผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่สามประการนี้จึงได้ว่าเป็นสัมปรัสมาสัมพุทตะเจา้าเป็นศารสราเอกในโลกอันนี้คือความเป็นมาของในการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้าเท่าที่ได้เผยแพมานี้ท่านผู้ฟังพอที่จะจับเข้าได้แล้วประมังว่าท่านใชย ยึดอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติสมาธิครั้งสุดท้ายที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์จับลมหายใจอารมหายใจเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตจู่กับลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ถ้าจิตว่าเกิดความคิดพระองค์ก็กำหนดรู้ความคิดถ้าจิตว่างกำหนดรูปความว่าง เราอง์ให้ลมให้จิตขพงะพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างเดินวนเวียนกันอยู่ที่ตรงนี้จกนกระทั่งจิตเจดความแน่วแน่เข้าสมาธิแล้วดำเนินไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือพิธีทางที่ท่านชายจิตศราได้ปฏิบัติมา โพธโพก็ไม่มีสามมาอรหังก็ไม่มีโยบหนาะภ่องเนาก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำพูดสามคำนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มีจะเอาคำพูดสามคำนี้มาจากไหนมาท่องเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงต้องอาศัยธรรสมาธิตามหลักของธรรมชาติ ธรรมะอันเป็นคําสอนทั้งหลายทั้งปวง 8, 40, แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นัี่เป็นเรื่องของธรรมชาติทังนั้นศาสนาผู้เป็นศาสนาธรรมชาติเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ดังนั้นคุณระ บ, บุพผู้มุ่งที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตจเจริญก้าวหนา้าให้ได้สมาธิให้ได้สติให้ได้ปัญญาขอได้โปรดรับ ปฏิปทาตอนท่านชายเศิษฐาไปเป็นหลักดำเนินการปฏิบัติคือกำหนดลู่ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกาหนดลู่ความคิดเป็นอันดับที่สองกำหนดความลู่ความวาม่างเป็นอันดับที่สาแล้วก็ให้จิตวนเวียนวนเวียนอยู่ในลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเนี่จะไปยึดอันใดอันหนึ่งเดี๋ยวแน่น โดยลําพังของจิตเองที่เราไม่ได้ล้อมนึกไปแต่จิตไปยึดลมหายใจเป็นหลักก็ได้ชื่อว่าเอาโลดวิตกถึงลมหายใจมีสติโลดล้อมอยู่ถ้าจิตเกิดความคิดแล้วสติไปจ้องอยู่ที่ความคิดไปลดละก็เรียกว่าความคิดเป็นวิตกในเมื่อจิตเปวิตกวีการ กายเบาจิตเบากายสงบบจิตสงบเกิดที่ที่เกิดความสุขก็ดําเนินเพระเข้าสมาธิไปตามขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้วหนูหนูทั้งหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าโนเข้าใจในเรื่องการทําสมาธิโนจะได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ทกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อเวลาหนูเดินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติ เดินก็ให้มีสติเอาสติโลกเดียวรับทานเดินทำพวกคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเดินไปเข้าโรงเรียนนึกว่าเราเดินจงกรมนั่งเรียนนังสือเรากาลังนั่งสมาธิจะขอแนะวิธีปฏิบัติสมาธิในห้องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายสุดเมื่ อ, มอเรานั่งอยู่ในห้องเรียน เมื่ออาจารย์เดินเข้ามาหน้าห้องท่านจะสอนเราเท่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ทรงจริตไปอยู่ที่ตัวอาจารย์ให้สายตาและจิตอูที่อาจารย์ตลอดเวลาเรียนตลอดชั่วโมงเรียนอย่าให้สายตาและจิตไปอื่นเพราะในขณะนั้นอาจารย์ท่านรวมกําลังใจรวมกําลังจิตกับวิชาความรู้ จะถ่ายพอดให้เราถ้าเราเอาใจใส่จดต้องเราก็ได้รับการถ่ายทอดพลังจิตจากอาจารย์เราจะได้พลังจิตพลังสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเราจะได้สมาธิอันเป็นอุปกรณ์แก่การศึกษาของเราจนกว่าเราจะเรียนต่าเมื่อเราพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวัน เราก็จะรินได้สมาธิในการเรียนเป็นอย่างดีข้อสังเกตให้สังเกตตัวตัวเองว่าเราจ้องสายตาอยู่ที่อาจารย์อย่างไม่ลดละจิตก็ไปเพ่งจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์อย่างไม่ลดละไม่ยอมไปไหนนั่นใจคือว่าเรากำลังได้สมาธิในการเรียนเป็นเบื้องต้นแล้วทีนี้ภายหลังเมื่อเราปฏิบัติต่ตอเนื่องกันไม่ขาดสาย เมื่อพลังสมาธิพลังสติปัญญาดีเค้ื่อนเจตของเราจะยอ้อนมาเตรียมพร้อมอยู่ที่ตัวเราเองเมื่อเจตมาเตรียมพร้อมรู้อยู่ที่เจตของเราเองนี่เมื่ออาจารย์พูดอะไรให้ฟังพอท่านพูดจบประโยคเจตของเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเมื่อเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบกิตจะโวกวายกลับไปนิดหนึ่ง ทำสอบจะขบขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องใช้ความคิดเมื่อก่อนเวลาจะสอบจิตของเราจะบอกว่าดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกกันที่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมันจะออกมาตามที่จิตบอกการทำสมาธิแบบนี้ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายมีผู้ทําสําเร็จมาหลายคนแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราเท่าเข้าใจในการทำสมาธิวิธีการกว้างๆหน่อยเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ตลอดเวลาเดินนั่งนอนรับทานทดื่มทันผูกเช็ดเป็นอารมณ์จิตให้มีเสถีําหนดนตาม ร, รู้ตลอดเวลาได้จึงว่าเป็นการฝึกสมาธิภาวนาการฝึกสมาธิแบบนี้มีข้อที่ควรจะยึดกันหลักปฏิบัติจูอย่างหนึ่ง เวลาเรานอนลงไปจิตก็เราคิดอะไรปล่อยให้คิดไปตามปกติของคนมีความรู้มีงานทำเดิมมีสิ่งที่รับผิดชอบกว้างขว า, วาในเมื่อนอนลงไปจะหลับทันทีเป็นไปไม่ได้นอนลงไปแล้วจิตมันต้องคิดโน่นคิดนี่แต่ถ้าท่านสอนอย่าตัวอย่าอย่าคิดอย่าไปคิดมัน แต่ล้มพ่อจะขอแนะนําว่าถ้าจิตของเรามีความคิดลอยให้มันคิดไปมันจะคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องขุนศนเรื่องอาขุนศนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องโลกเรื่องธรรมจะนมแม่มันจะไปแอบขโมยลูกสาวใครอยู่กระชั้นมันก่อนเช้ามันจะอาจจะแอบไปชอบลูกชายของใครชั่งมันล่อยมันไปแต่พ่อสําคัญให้มีสติกําหนดตามรู้มันไปทุกขณะจิต เีแรกมันอาจจะสับสนแต่เราพยายามฝึกอบรมทุกวันทุกวั น, วนเพราะมันไม่ได้เหต็ดเหนือยอะไรเพียงแต่กําหนดจิตให้มีสติตามรู้อยู่เท่านั้นในเมื่อเราปฏิบัติต่อนเนื่องกันทุกวันทุกวันในเมื่อร้องตัวจํนานีทํานานนานเข้าเราจะรู้สึกว่ามีอาการเพิดเพลินไปกับความคิดเกิดสจกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ กายเบากายสงบได้กายวิเวกจิตเบาจิตสงบได้จิตวิเวกแล้วจิตก็มีปีติมีความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเสรยความสุขอันเกิดแต่ปีติอยู่ในสมาธิตลอดเวลากิเลสความยินดีย็นร้ายไม่มีจิตเป็นกลางก็ได้อุปาชีวิเวก นี่ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันแล้วจิตมันจะเป็นไปอย่างนี้แล้วในที่สุดเมื่อเกิดหลับลงจิตจะวิ่งเข้าสู่สมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกับเรานอนไม่หลับทั้งคืนแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่เมื่อยไม่เคลียเพราะในขณะที่จิตมีสมาธินั้นประสิทธิภาพของสมาธิหรือพลังจิต สามารถทำให้เลือดลมในกายของเราหมุนเวียนได้สะดวกสบายอย่างคร่องแคล่วแต่ส่วนกายนั่นหลับสบายจะจิตตื่นอยู่แต่ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกเหลือในบางครั้งบางทีปัญหางานการต่างๆที่เราแก้ไม่ตุกในตอนกลางวันพอจิตใด้สมาธิแล้วมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทาหน้าที่พิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆ มีลักษณะเมือนกตัดนอนหลับแล้วขันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตบนี่ถ้าใครทำสมาธิให้จิตสงบได้ในขณะที่นอนเป็นดีวิเศษที่สุดมีผู้ทำได้อย่างเราๆานี่จะทำได้ไหมทำได้กบพยายามทำจริงการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหลักการบำเพ็ญสมาธิตามหลักของธรรมชาติจิตก็เป็นขาดรู้โดยธรรมชาติ ลมหายใจหรืออารมณ์จิตก็เป็นอารมณ์ของจิตโดยธรรมชาติเมื่อเรามากำหนดรู้เดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำพดูดิทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราจะได้สมาธิมีพลังงานสนับสนุนจิตการอันจะเรื่องชีวิตประจำวันเมื่อเราได้สมาธิทีแล้วเพราะการปฏิบัติแบบนี้จะเป็นนักศึกษาจะทำให้เรารับเปลี่ยน ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่จะมีความเมตตาสงสารถ้าเป็นลูกเป็นเจ้าจะมีความรักความเคารพในบิดามารดาของตนมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเป็นสามีภรรยาจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจะเพิ่มความรักกันมากขึ้นแต่ความรักจะกลายเป็นความเมตตาปรานีไม่ใช่ความรักแต่กิเลสกัรหามเราอยู่ได้ด้วยกัน ได้โดยไม่หวาดกระแวงหรือไม่เราแวงใจซึ่งกันและกันสอบตัวการคลองคิดของเราก็มีความสุขนักศึกษาก็จะได้พลังจิตพลังใจสนับสนุนการเรียนเมอเรียนจบมาแล้วไปทํางานสมาธิอันนี้เรายังจะนําไปใช้เป็นประโยชน์แก่การทํางานการบําเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นการบริหารสุขภาพกายสุขภาพจิต ให้มีความสุขสมบูรณ์ด้วยพลานามัยก็าอาศัยพลังจิตอันนี้ทําให้สุขภาพกายดีมีความสุบร่างกายแข็งแรงเกิดพลังงานทีนี้ส่วนสุขภาพจิตนั้นจะสามารถต่อสู้กับเหตุการณ์ิ่งแวดล้อมรับรู้อารมณ์โดยอิสระไม่ตกเป็นทาสแห่งอารมณ์ดังนั้นแล้วหัวใจติตปัญญาของเราจะเฉียบแหลมคิดอะไรก็สําเร็จทะลุปลุกปุก่ม เส่นเดียวกันกับท่าน ด, ดอกเตอร์ อ, อาจองอาศัยสมาธิคิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฟังเสียงไปติดจรวดจะลงดาวพระอังคารท่านสำเร็จมาได้ด้วยพลังของสมาธิเพราะฉะนั้นนักบำเพ็ญสมาธิทั้งหลายอย่าไปเข้าใจวิธีการให้มันแคบ่เกินไป